กินน้อยๆภาวนาดีคนนี้กินน้อยๆภาวนาดีนะขอให้อิ่มยังไงช่างมันเตขอให้อิ่มยังไงช่างมันเอาอย่างนั้นเหรอ ใ, ใส่ไม่ลงนั่นแหละอย่างอื่นยังไงช่างมันเอใครไปนอนกุฏิขาวฮะกุฏิขาวไรนอนกุฏิขาวใครนอนฮะาเวนเหรอฮะกุฏิขาวใครนอน พาเวนเอนอนกตินอน ก, ต, นอนกติเก่านอนกติซ้ำนี่ภาวนาไม่ดีงั้นเหรอ <c oughs> นอนกติเก่าเก่านอนกติซ้ำๆนี่ภาวนาไม่ดีเดินอยู่ตรงนั้นทีเดินอยู่ตรงนี้ทีอย่งงางั้นภาวนาดีเอายังงั้นเหรอ เอาที่ส่วนบุญไปเนอะเบสไปที่ส่วนบุญไปน้ำตาของสัตว์อ่าน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัตตาสงสาร ก่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาของสัตว์ดีใจก่น้้ำตาเสียใจก่น้้ำตาทุกข์ใจก่น้้ำตาน้ำตาของสัตว์จิตแต่ละดวงแต่ละดวงสัตว์แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยรวมมาถึง เราพวกเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นสัตว์โลกตราบใดที่ยังเป็นไปอยู่ในโลกนั่นแหละขึ้นชื่อว่าโลกน่ะคือทะเลทะเลของกองทุกขมีน้ำตาเป็นตัวสวยพบเสวยชาติดีใจกับน้ำตา ใจก็น้ำตาเสี ย, ยใจก็น้ำตาวิโยคพัดพร า, พรากก็น้ำตาเป็นสั ญ, ญลักษณ์เครื่องแสดงออกนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของความทุกข์ของกองทุกข์สมมเณรติดสะเป็นลูกอุปถากของภาษารีบุตรอุปถา ของภาษาราบุตรมีลูกอายุเจ็ดขวบชื่อติตสะให้ไปบวชอายุเจ็ดปีไปบวชแล้วแม่ต้องอยู่ด้วยเจ็ดวันเพราะลูกนี่เล็กเกินไปแม่ต้องไปอยู่ด้วยเจ็ดวันสมมเณรจิตสะนี่แหละเป็นลูกอุปถาของภาษาราบุตร เป็นคนดูแลภาษาฤๅบุตรพ่อแม่ของของเนนเนี่ยเนยหลังจากบวชเป็นสนัมเณรแล้วเนี่ยโดยจิตปฏิพัต ร, รักใคร่ภาษาฤๅบุตรอ่าไปบวชภาษารๅบุตรบวชเป็นสนัมเณรให้ติดสอยห้อยตามบวชเป็นสนัมเณรแล้วแม่ต้องอยู่ด้วยเจ็ดวันพอวันที่แปดแม่กลับแม่กลับบ้าน ภาษารีบุทไปบินทบาทเนนติสะไปบินทบาทด้วยในระหว่างที่เดินทางไปเห็ น, เ ห, น, น, นเห็นช่างสอนดัดสอนเห็นช่างไม้ถากไม้เห็นชาวนาขนาน้ําข้าวนาถามอาจารย์ว่าลูกศรมีชีวิตไหมอาจารย์ก็ตอบว่าไม่มีชีวิต แต่เขาสามารถดัดให้ตรงได้น้ำมีชีวิตไหมอาจารย์ก็ตอบว่าน้ำไม่มีชีวิตแต่เขาสามารถไขให้เข้านาได้ไม้มีชีวิตไหมไม้ไม่มีชีวิตแต่ช่างไม้สามารถถากดัดให้ตรงได้เอแล้วเราหัวใจมีชีวิตแท้ ทำไมเราจะดัดให้ตรงดัดให้ดีไม่ได้เดินเดินไปบินตบาดยังไม่ถึงที่บินตบาดถามอาจารย์ใบอาจารย์ก็ตอบไปก็เท่ากับเดินตามเด็กน้อยนั่นแหละอายุเจ็ดขวบพาไปบินตาบาต่อไปไปไปไ ป, ไปเลยอยากดัดตัวเองอยากดัดตัวเองเพราะไปเห็นเขาเขาช่างสอนก็ดัดสอนช่างไม้เขาถากไม้เห็นคนคนไข้น้ำข้าวนาไขยน้ำข้าวนา สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตแต่เขาสามารถดัดให้มันเป็นไปตามใจใจหวังได้เรามีชีวิตแทๆ้ๆทาไมเราจะดัดตัวเองไม่ได้ก็เลยขออาจารย์กลับกลับมานั่งภาวนาอาจารย์ก็ตามใจไม่ขัดอัธยาศัยลูกศิษย์อาจารย์ก็เลยมอบกุญแจให้ลูกด่านลูกด่านข็เรียกลูกด่านมอบกุญแจให้เนีนจิตสักก็กลับมาภาวนาเปิดกุฏิไปก็ไปนั่งภาวนา นั่งภาวนาแป๊บเดียวไม่นานไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ะอาจารย์ยังไม่กลับจากบินธบาทได้บรรลุธรรมสามพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาคในระหว่างที่สมำเนงทิสะบำเพ็ญอยู่นั่นช่วระยะเวลาไม่นานน่ะอยู่ในสายหูสายตาในพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าทีนี้พระองค์ก็ เพราะในใจว่าเอ า, ส, เาสัมเนนตทิตฐิยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งพระสารีบุตรกลับมาก็จะเป็นการไปขัดขวางจะเป็นการไปขัดขวางไปขัดขวางพระสรัมเนนที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั่นแ่ะพระองค์ก็เลยไปยืน ก็เลยเลยไปยืนขวางเออก่อนที่จะให้พระสาริบุตรไปบินธบาตบอกพระสาริบุตรด้วยว่าไปบินธบัตปราตะเพียนมาแจกผมฉันด้วยไม่งั้นคือเบื้องบุปกรรมเบื้องเบื้องหลังมันมีไปบินบัตปราตะเพียนมาแจกผมฉันด้วยโอ้จะได้ปราตเพียนจากไหนแน้นอ่าเอาเอถอะทํา ไ, ได้ด้บุญด้วยบุญบา ร, รมีของผมทำมาได้บุญ ด้วยบุญบารมีของผมก็ได้บุญด้วยบุญบารมีของอาจารย์ทําไม่ได้ด้วยบุญบารมีของอาจารย์ก็ได้ด้วยบุญบารมีของผมพระสารีบุตรวันนั้นไปบิณฑบาตกับอุปทาภิษฐเขาก็ต้มปลาตะเพียนต้มปลาตะเพียนมาแล้วก็เลี้ยงถวายอังคาดพระสารีบุตรสมัยแต่ก่อนเนี่ยชันเสร็จแล้วกลับนะไปบิณฑบาตแล้วก็ชันเสร็จแล้วก็กลับเขาถวายอังคาด อาหารด้วยมีมปลาตะเพียนด้วยเป็นอาหารและก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ฝากไปถวายสามเณีติสระด้วยก็ฝากปลาตะเพียนไปถวายสมเณีติสระคนที่เขามีบุญบารมีสมเณีติสระเมื่อก่อนก็เป็นทุกตะเข็นใจนี่แหละมีอยู่ชาติหนึ่งเป็นทุกตะเข็นใจชาติใกล้ๆมาเนี่แหละเป็นทุกตะเข็นใจ ไม่มีอะไรที่จะทําบุญให้ทานกับเขาเลยเขาทําบุญให้ทานเจ้าของมีแต่ไปหารับจ้างสองคนผัวเมียเขาทําบุญนนทําบุญนี้นนไม่ได้ทําอะไรกับเขาดอกเขาเลี้ยงพระเจ้าพระสองเท่านั้นร้อองค์เท่านี้ร้อยองค์ไม่เคยทําบุญให้ทานกับเขาดอกพระไม่มีอะไรจะเลี้ยงมีวันหนึ่งทายกคนหนึ่งเขาไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านห้าร้อยองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน หลังจากพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วทายกคนนั้นเขาก็ไปเดินแจกไปเดินถามชาวบ้านอา้าวเรานิมนต์พระสงฆ์เลี้ยงจังหันห้าร้อยองใครจะรับได้สักกี่องแค่ว่าไปเดินแจกคนนั้นรับได้สององคนนั้นรับได้ห้าองค์คนนั้นรับได้สิบองค์รับรับเลี้ยงพระทหารนั่นแหละพอดีเขาก็ไปเห็นไปเห็นทุกตะทุกตะนี่กำลังไปหาเก็บผักตามรั้ว ไปหรับจ้างเขานี่ยแหละเอาทุกตะเธอจะไม่ร่วมทําบุญกับเขาบ้างเลยหรอโอ้ยเราจะมีอะไรทําบุญแค่เราจะเอาใส่ปากใส่ท้องแต่วันๆเนี่ก็แทบจะไม่มีอะไรจะใส่แล้วแทบไม่มีอะไรจะใส่แล้วนี่ก็นั้นแหละก็เพราะเธอไม่ไม่ไม่ทำบุญนั่นแหละเธอถึงหาหาอะไรจะใส่ปากใส่ท้องก็แทบจะไม่มีเพราะอันนี้สอ ง, องการทําบุญมันไม่มี พอเขพูดไปพูดมาพูดมาเอ อ, อย่างนั้นขอสักองหนึ่งรับเลี้ยงพระองค์หนึ่งหนึ่งองอโดยเหตุที่ทุ ก, กตะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่ในสายตาของเขาเขาก็เลยลืมจดบัญชีเอาไว้ว่าทุกกตะนี่ขอหนึ่งองพอวันเลี้ยงพระมาถึงสมมุติอย่างวันพรุ่งนี้วันเลี้ยงพระมาถึงเนี่ยเขาก็เลยแจกแจกคนอื่นไปหมดแจกพระไปให้คนอื่นหมด ไม่มีพระเหลืออยู่ให้ทุกตะทุกตะหลังจากไปรับพระหนึ่งองค์แล้วเอ๊ะมันรู้สึกมันสบายใจมันดีใจยังไงชอบคนวันนั้นทั้งวันเนี่ยไปรับจ้างสองคนผัวเมียเย่ทั้งทั้งทั้งผาฟืนไปเมียก็ไปหาตาตาข้าวให้เขาทั้งผาผาฟืนรับจ้างเขาตาข้าวรับจ้างเขา ทั้งผ่าวพื้นทั้งดีใจทั้งร้องเพลงทั้งอะไรรู้สึกว่ามันอารมณ์สบายเหลือเกินเอ๊ทุกกตะทําไมเธอแปลกโอ้ยพรุ่งนี้ผมจะได้เลี้ยงผ้านหนึ่งองค์โอ้ยดีใจพรุ่งนี้จะได้เลี้ยงผ้านหนึ่งองค์ดีใจอ่าดีใจเขาก็เลยเออออาส่วนนี้ให้ข้าค่าแรงเธอนะส่วนนี้ทําบุญด้วยแน่เขาทําบุญเมียก็เหมือนกันอ่ะไปทำข้าวให้เขาโอ้ยส่วนนี้เราให้ค่าจ้างเธอส่วนนี้เราทําบุญด้วย โดยได้ส่วนนั้นะมาหงมาต้อมมาอะไรกันเลี้ยงพระทีนี้ก็ไปหาปลาไปหาปลาไปหาปลากับปลาตะเพียนนี่แหละไปหาปลาไปหาปลาพอดีเขาก็โยนโย น, โยนปลาตะเพียนกองๆไว้กองหนึ่งสลับจะเอาไปไปทํากินเขาเองแหละพอรู้วัตถุกตะเขียนใจเนี่ยจะมาหาอาหารไปทําอาหารถวายพระพุทธเจ้า เขาก็เลยถวายเขาก็เลยให้เขาก็เลยร่วมทําบุญด้วยทุกตะกระดี อ, อกดีใจได้ปลาตะเพียนนี่แหละมาต้มไปไปถวายพระไปเลี้ยงพระพอรุ่งช้ามามาไปถามไปถามคนที่แจกพระโอ๊ยเราลืมทุกตะเราลืมเราแจกพระไปหมดแล้วไม่มีพระที่จะให้เธอเลยเอ้อท่านนี่ทําให้ผมชิบหายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะตอว่าเขา ตั้งใจ ด, ดีสุขสบายใจตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้แล้วพอถึงที่แล้วจ ะ, จะไม่ได้ทาบุญแล้วแจกพระไปหมดจะไม่มีพระได้ทาบุญแล้วเออยังมีอยู่ยังมียังมีองค์งงงหนึ่งอยู่ยังมีองค์หนึ่งอยู่ยังไม่มีใครรับเลยคิดว่าคิดว่าท่านต้องเมตตาทุกขตะแหละให้ทุกขตาไปไปกราบนิมนต์ท่านเนอคือพระพุทธเจ้านะคือพระพุทธเจา้าเอ ท่านจะรับนิมนต์เหรอเราทุ ก, กตะเขียนใจโอ้ยท่านมีเมตตาท่านไม่ถืออย่างนั้นท่านไม่ถืออย่างนี้ทุ ก, กตะเลยไปไ ป, ไปในเช้าไปกราบไปกราบทูลพระพุทธเจ้านิมนต์ไปฉันพัฒหารที่บ้านในขณะที่ทุ ก, กตะไปมีเสนามีอามาตย์มีราชามีกระหาบาดีมีอะไรแต่ไรคนรวยๆที่จะมาคอยรับพระพุทธเจ้าไปฉันพระพุทธเจ้าท่านก็ดูตรวจ ด, ดูหมดนั้นแหละว่าควรจะสงเคราะห์ใครอ พอเขาเห็นธุกตาไปเขาก็เขาไล่ธุกตาเพื่นมาทําไมท่านมาทําไมเวลานี้มันไม่ใช่เวลามีเศษมีเดนอาหารเหลือ <c oughs> เขาเคยเห็นแต่ไปเอาเศษเอาเดือนอาหารจากพระหรือยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราไม่เราไม่ต้องการเศรษเดนอาหารเราต้องการนิมนต์พระศาสดาไปฉันที่บ้านโอ้ที่บ้านของเธอนี่คงใจฉันอิ่มนําสํารานะอาหารคงจะดิบดีอย่างนั้นเขาพูดไปชดก็พูดเยาะเย้ยพวกเส น, นาห ม, มาด ในที่สุดทุกตะก็เลยฟังไอ้คำที่คนเขาเขาบอกน่ยคนที่เขานี่หัวหน้า ท, ที่นีมูลพระไปเขาบอกก็เลยไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเมตตาส่งบาตรมาให้ทุกตะได้บาตรมาแล้วก็อุ้มอยู่พวกเสนาบดีราประรายชาก็หาบดีทั้งหลายเสทุกตะให้เราทุกตะให้เราเราจะให้ท่านนั้นโกรธเราจะให้ท่านี้โกรธเราจะให้รางวัลท่านนั้นให้รางวัลท่านี้ทุกตะไม่เอาไม่เอ า, เร า, เ, อาเราไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นเราต้องการเลี้ยงพระ เราต้องการเลี้ยงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยรับนิมนต์ในขณะที่พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านทุ ก, กตะเขาก็ดีโอกดีใจพวกเสนาอํามาตย์พระราชาแล้วก็ตามไปเขาโอ้ยกลัวอาหารที่บ้านทุ ก, กตะไม่พอจะอิ่มพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะไปพระพุทธเจ้าทั้งเลยฉันอิ่มน้ำสําราญวิสัยของพระองค์เนี่ยแม้แต่ข้าวอะไรเนี่ยข้าวจีของนางอะไรนั่นนะพระอง์ยังรับรับแค่นั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ไปรับที่อื่นอีกแล้ว นี่ก็คือหัวใจน้ำใจของพระศ า, าสดาสงเคราะห์คนเมตตาคนสงเคราะห์คนทุกาตะก็เลยได้บุญได้บุญได้ได้ทรัพย์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นอะไรทันใจทันการขึ้นมาเขาเรียกว่าเรียเขาเรียกว่าได้รับผลทันตาทุกตะเขียนใจนั่นและแล้วก็แล้วก็มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันอา่า มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันแล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละตายจากชาตินั้นมาเกิดชาตินี้ไปเกิดเกิดเป็นลูกของคนที่เป็นอุปถาของพระสารีบุตรชื่อว่าเนเ น, เนติสะนี่แหละไปภาวนาบวชแล้วได้เจ็ดวันวันที่แปดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดปีแค่เห็นคติว่าเออเขาไขน้เข้าวน า, เ, า, นาเออน้ามไม่มีชีวิตแต่ เ, เขาสามารถไข ข, ข้าวนาได้ สอนไม่มีชีวิตแต่เขาสามารถดัดให้ตรงได้ไม้มันไม่มีชีวิตเขาช่างไม้สามารถถากให้ตรงได้เรามีชีวิตแท้เราสามัยจะดัดจิตให้ตรงไม่ได้ให้ตรงหมายคก็ว่าให้รับกับหลักของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงดัดให้ตรงไม่บิดไม่เบี้ยวไปตามเกียร์เลที่มันพาบิดพาเบี้ยวจากดัมบรีอย่างนั้นแล้วก็ขออาจารย์ขอกลับไมบ่ไปบินสบายแลอเคากลับนี่แหละอันนี้สองปราตะเตียนนี่แหละ เพิ่มกันนึกถึงเอ้ยอาจารย์ไปบิณฑบาตไปเอาปลาตะเพียนมาแจกผมฉันด้วยโอ้ใครจะเอาปลาตะเพียนมาธรรมเนีนโอ้ทาไม่ได้ด้วยบุญของอาจารย์ก็ได้ด้วยบุญของผมเนี่ยพอไปก็ได้จริงๆแหละเขาก็จัดถวายปลาตะเพียนอาหารมีปลาตะเพียนเป็นอาหารถวายพระสารีบุตรฉันอิ่มนหําสํำราญแล้วส่วนหนึ่งเขาถวายมาส์มเนีนพระสารีบุตรก็ถืออาหารปลาตะเพีย น, นเนี่ยมาฝากธรรมเนีน พอมาถึงรู้ทีเจ้ากลัวจะเข้าไปทําลายเวลาสัมเน็งกาลังทํางานยังไม่สุดรู้ที่เจ้าก็เลยไปขวางไว้ไปชวนถามปัญหาโน้นชวนถามปัญหานี้อ่าพอหลังจากรู้ว่าระว่าสัมเน็งผ่านไปแล้วเป็นพระอาหารหันไปแล้วก็ปล่อยพระสารีบุตรเข้าไปพอพระสารีบุตรเข้าไปพระสารีบุตรก็เอาอาหารไปวางไว้สัมเน็นก็สงบเสงี่ยมเงียบเฉยไม่แสดงกิริยาอาการหิว ดิ้นรนถามนู้นถามนี่ทักน้นทักนี่อพออาจารย์เข้าไปอาจารย์นั่งก็เอาวีมาเอาพัดมาก็มานั่งพัดให้อาจารย์นั่งพาสมควรเกี่ยวอาจารย์อ้าวจำเนนฉันพัดทหารซาฉันพัดทหารซาเนี่ยตอนนั้นครับตอนนั้นเพื่อนก็เสวยธรรมะในใจเต็มอิ่มแล้วเนี่ยอันนี้คือคนที่ทําบุญมันมีเหตุมีปัจจัยประกอบกันอยู่อย่างนี้ จากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็พาพาไปพาเดินไปก็ผ่านนู้นผ่านนี้ผ่านอะไรผ่านทะเลผ่านแม่น้ําผ่านอะไรก็สามสามเณรเห็นน้ํามากๆแล้วเป็นไงรู้สึกเป็นไงเห็นน้ํามากๆแล้วรู้สึกเป็นไงเห็นน้ํามากๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนน้ําตาอที่ทําให้ท่องเที่ยวเกิดในวัดตาสงสารนี่มากกว่าน้ําในทะเลในมาหาสมุทร น้ำในทะเลน้ำในมหาสมุทรพุทธเจ่าขยายต่อไปอี ก, กว่กองทุกขของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยดีใจก็น้ําตาเสียใจก็น้ําตาทุกข์ระทมตรมตรอ ม, รมใจวิโยคพรากพลาดก็น้ําตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบไปแล้วเนี่ยน้ำตาที่เราลอยคออยู่ในทะเลวั ต, ตสงสารเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรอีกน้ําตาซึ่งเกิดจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากความทุกข์ ของสังขารของธาตุของขันของความเป็นอยู่ของความผูกพันอะไรสารพัดนี่นี่อันนี้คือพระเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาเทศมาสอนมาบอกพวกเราอืให้เราให้เราบำเพ็ญขวนขวายเพื่อพยายามข้ามให้พ้นวัฏวัฏฏ์สงสารนี้ไปได้พวกเราก็ร่มัวแต่มาสนุกลอยคออยู่นี่แหละสนุกละเกินสนุกละเกินปมแปมปมแปมเหมือนลูกตาท่านว่านั่น เรืออยู่นี้แพยอยู่นี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่มีใครสนในที่สุดหลวงตาท่านก็ไปฉุดมือขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมหลวงตาท่านช่วยชาติเจ็ดปีแปดปีเมือ่อเขาท่านไปเทียบเรือเทียบแพเราก็จับมือฉุดขึ้นชุดขึ้นชุดขึ้นเห็นไหมท่านเอาธรรมะไปแจกใจทั่วบ้านทั่วเมืองบางคนไม่เคยเลื่อมใสได้ศรัทธาไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเลื่อมใสศรัทธาได้ยินได้ฟังได้เลื่อมใสศรัทธา ถอดแหวนถอดสร้อยคอถอดอ่ากําไรข้อมือมีทองมีเงินมีอะไรเสียสละทําบุญให้ทานนี่หมายความว่าลวงตาท่านฉุดขึ้นฉุดขึ้นฉุดขึ้นให้ขึ้นมาเองไม่อยากขึ้นอต้องลงทุนลงแรงฉุดขึ้นฉุดขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึเนี่เราอุปมาเราเปรียบเทียบอืเราได้ยินได้ฟัง แล้วก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีจริงเป็นจริงและเป็นไปได้แล้วก็บำเพ็ญให้ได้รับประโยชน์แห่งตนแห่งต้นในเมื่อโอกาสมาถึงพร้อมเฉพาะหน้าด้วยกันทุกคนอาใพร้อ ยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติจักกระังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังหิปะเมวัสมิจฉุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธ า, ามณิโชอติระโสยะธา โยวิวายันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตมาวัตวันตรายโยสุขีกายกมภาวะอภิวายนสิริสเนจังโว ตาปัจจยนโอยตาโรยธรรมมาวัทานติอายุวันโนอสุขังพาลังพุทธาภกกาปตอภัจาวิตินาปดาสุเมบุทาการาคินอดินนาอัโทปัญจบรลิกตา ตัวปฏิ a าสิล a วันโตสัญญาตาบรัชจริโนยถาทางพอมิใจญาปันิโตครมาวสังโซเมอโตอนุปโตกตังานันตบ a ยง เกตังอนุสรังมัจจออริยธรรมเมธิตโนรรอเเทวานังปัสสังสันติเปจสักเกปโมดตีติพวตุสาปัะมังกาลังสาะเดวตานสาบบุตทานุภาเวนาสดาโสทิพวันตุเต ภาวะตุสาบะมังกาลังรักขันตุสาบะเดวตาสาบบะธรรมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกาลังรักขันตุสัาบะเดวตาสาบบะสังขานุภาเวนัสดาโสทีม I want to t e m e